วันนี้เป็นวันจันทร์ที่หกเมษายนพุทธศักราช2569เป็นวันหยุดราชการเป็นวันที่สาธุชนพุทธบุญสันมีเวลาว่างจากการที่จะต้องไปทำงานทำการจึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ กับชีวิตจิตใจของตนด้วยการเข้าวัดเพื่อทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาทักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีใ น, ในใจให้หมดสิ้นไปด้วยศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนา ว่าเป็นผู้ที่จะสามารถนักษาโลกของความทุกข์ใจให้หายขาดได้ธรรมะวันนี้ก็เป็นเรื่องของศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้ชาวพุทธนี้เชื่ออะไร สิ่งที่ชาวพุทธต้องเชื่อควรจะเชื่อก็คือเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจได้อย่าง ทาวรแล้วหลังจากที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว<ม>ก็นำเอาวิธีของการดับความทุกข์นี้ ม, มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจผู้ที่จะต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ของใจจะได้รู้จากวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและนํามาไปปฏิบัติ เพื่อกำจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปอันนี้คือความเชื่อในพระพระรัตนใจเชื่อพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ค้นพบวิธีรักษาใจให้หายจากความทุกข์ได้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถรู้จักวิธีรักษาใจ ให้หายขาดจากความทุกข์ของใจได้ด้วยตนเองมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถค้นพบวิธีรักษาใจให้หายจากความทุกข์ต่างๆได้ด้วยพระองค์เองแล้วหลังจากที่พระองค์ได้ค้นพบวิธีรักษาโลกของใจและได้รักษาโลก ใจของพระ อ, องค์เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคนแรกก่อ น, นใจของพ อ, องค์นี้เป็นใจที่สะอาดบริสุทิปราศจากความทุกข์ต่างๆเมื่อทรงได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็ทรงเอาความรู้อันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจ ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์คาสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็คือเรียกว่าพระธรรมพระธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าชาวพุทธเราต้องเชื่อคําสอนเชื่อว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่เราสามารถนําเอาไปปฏิบัติและกาจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ถึงแม้จะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระ อ, องค์ทรงนำามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจนี้ได้มีการจดจำมีการบันทึกเอาไว้รวบรวมไว้ในพระคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะ ศึกษาคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเราก็ไปที่พระไตรปิฎกเพราะในพระไตรปิฎกนี้จะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนี้จะสอนวิธีการต่างๆในการดับความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจได้อันนี้คือความความเชื่อในพระธรรมคําสอนพระธรรมคำสอนนี้ก็เปรียบเปรียบเป็นเหมือนยารักษาโรคร่างกาย พระพุทธเจ้านี่ก็เป็นเหมือนหมอเวลาเราไม่สบายทางร่างกายเราก็ต้องเข้าหาหมอหายากันการที่เราจะเข้าหาหมอหายาได้ก็คือก็คือเราต้องมีศรัทธามีความเชื่อในความสามารถของหมอในประสิทธิภาพของยาว่าจะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของเราได้ เราจึงไปหาหมอหายากันพยายามเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายถ้าเราก็จะเชื่อฟังหมอรับหมอให้ยามารับประทานเราก็จะต้องรับประทานตามที่ตามที่หมอสั่งหมอให้ฉีดยาเราก็ต้องให้หมอฉีดยาหมอบอกต้องทําการผ่าตัดเราก็ต้องยอมเราก็ต้องเชื่อให้หมอทําตามที่หมอเห็นสมควร เพราะว่าเรามีความมั่นใจในความรู้ความสามารถของหมอมีความมั่นใจในประสิทธิภาพของอยานักษาโรค mm hmm. เมื่อเรามีศรัทธาเราก็ทำตามที่หมอสัง่งแล้วเมื่อได้ทำตามที่หมอสั่งเรียบร้อยแล้วโรคภัยไข้เจ็บที่เรามีอยู่ก็จะหายไปตามลำดับต่อไป รันไดโรคของใจคือความทุกข์ใจต่างๆก็เ ป, เป็นเป็นโรคอย่างหนึ่งเหมือนกับโรคของร่างกายและเป็นโรคที่รุนแรงกว่าโรคของทางร่างกายเพราะความทุกข์ทางใจนี้มันเป็นความทุกข์ทรมานมากกว่าความทุกข์ทรมานทางร่างกายก<ม>ารที่เราได้มาพบกับหมอพบกับยาโดยได้พบกับพระพุทธเจ้า หรือตัวแทนของพระพุทธเจ้า<ม>คือพระธรรมคำสั่งคำสอนที่เป็นทั้งตัวแทนและเป็นทั้งยารักษาโรคใจเราก็ต้องเข้าหา<ม>พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนแล้วนำามามาปฏิบัติ<ม>นี่ก็คือการมีศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้า สามารถรักษาโรคของความทุกข์ใจของเราได้เราเชื่อว่าความทุกข์ใจต่างๆที่มีในใจเรานี้จะหมดไปได้ถ้าเราทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งคำสอนก็เป็นเหมือนยาที่เราเอามารับประทานทํามารมรับประทานด้วยการปฏิบัติ ต, ตามคำสอนเบื้องต้นก็ศึกษาก่อนศึกษาว่าพระพุทธเจ้า สอนวิธีการดับความทุกข์นี้ดับได้อย่างไรเมืเออ่อครงสอนแล้วเราก็ปฏิบัติตามออพอเราปฏิบัติตามแล้วออความทุกข์ต่างๆที่มีในใจก็จะค่อยหมดไปตามลำดับจนออออในที่สุดความทุกข์ทางใจก็จะหายหมดขึ้นไปไดออออ้นี่คือการเชื่อเชื่อพระคุณพระธรรม แล้วก็เชื่อพระอริยสงสาวกพอาอริยสงสาวกก็คือผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้สามารถช่วยรักษาโรคใจของของตนได้แล้วเมื่อศึกษาและปฏิบัติตามคำส่งคำสอนของพระพุทธเจ้าโครคภัยไข้เจ็บทางใจ ด้วยความทุกข์างใจต่างๆก็ก็หมดไปตามลําดับหมดไปตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามถึงขั้นที่สี่มีสี่ขั้นด้วยกันการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจนี่แบ่งไว้เป็นสี่ขั้นขั้นที่หนึ่งเรียกว่าขั้นโสดาบันขั้นที่สองเรียกว่าขั้นสกิดาคามีขั้นที่สามเรียกว่าอนาคามี ท่านที่สี่ 4, เรียกว่าอรหันต์อรหันต์พอได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามก็จะดับความทุกข์ไปเป็นขั้นๆเลยตอนในที่สุดก็ถึงท่านที่สี่พอได้ถึงทั้นที่สี่ความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยในใจก็จะหายไปหมดคนไข้ก็กลับเป็นคนคนปกติไปเป็นคนที่ ไม่มีความทุกขใจเหลือเหลือเกินต่อไปาเ้็นการหายขาดอย่างท้าวอนจะไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกต่อไปไม่เหมือนกับความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายรักษาได้คราวนี้คราวหน้ามันก็อาจจะกลับมาใหม่ได้เพราะการรักษาความทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่สามารถรักษาโลกของร่างกายได้อย่าง ถาวรรักษ า, าได้เป็นพักๆไปพอรักษาโรคนี้เสร็จเดี๋ยวก็มีโรคใหม่ขึ้นมาแทนที่หรือก็อาจจะมีโรคเก่ากลับมาใหม่ก็ได้เพราะนี่เป็นธรรมชาติของร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอนดับที่สุดแต่ธรรมชาติของใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นสิ่งที่จะอยู่ยัง่งยั่งยืนถาวร เพีงแต่ว่าจะอยู่แบบไหนจะอยู่แบบมีทุกข์หรืออยู่แบบไม่มีทุกข์ทั้งนี้ถ้าไม่ได้มาเจอพระพุทธธรรมพระสงฆ์จิตใจก็จะต้องอยู่แบบมีทุกข์ไปเรื่อยๆเรยพราะจะไม่รู้จักวิธีกําจัดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้แต่ถ้าได้การพบกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ ทั้งนี้คราวนี้เราไม่สามารถพบกับพระพุทธเจ้าได้แล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่ายังมีตัวแทนที่ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าอยู่ยังมีหมอมียาอยู่ยาก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหมอก็คือพระอริยสงสารุผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์จากการศึกษาจากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามาก่อนแล้ว ท่านก็มาทำหน้าที่เป็นหมอแทนพระพุทธเจ้าต่อไปถ้าตาบใดเราได้มีพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีเขาทำคำสอนก็ดีหรือพระอริยรสงสาวก็ดีเราก็จะสามารถมีโอกาสรักษาใจของเราให้หายจากความทุกข์ต่างๆได้อย่า ง, างแน่นอนนม่แต่จะช้าหรือเร็วเทั้นเอง ถ้าเราไม่พบพระพาาุทธเจ้าไม่พบพระพอริยสงฆ์สาวกแต่เรายังพบกับพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเราก็าอาศัยการศึกษาจากพระไตรปิฎกแล้วเอาความรู้ที่ได้ศึกษานี้มาปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกขต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ แต่อาจจะต้องทำแบบลองผิดลองถูกไปเพราะว่าตำรานี้ไม่สามารถบอกเราว่าให้ให้เอาวิธีไหนเพราะเน้นตำราก็มีแสดงไว้หลายวิธีหลายขั้นหลายตอนด้วยกันซึ่งบางทีการปฏิบัติก็อาจจะปฏิบัติแบบถูกบ้างไม่ถูกบ้างเพราะยังไม่เคยปฏิบัติในทางนี้ก็าอาจจะต้องใช้เวลามากหน่อย ในการที่จะต้องลองยาของด้วยตนเองแต่ถ้ามีหมอเป็นผู้มาคอยอคำกลับยาให้จัดยาให้รับประทานหมอก็เกลื่อนพระอริยะสงสาวกังรักษาโรคทางใจก็จะง่ายขึ้นกว่ารักษาด้ว ย, ด, วยด้วยพระธรรมคําสอนโดยลําพังถ้ามีพระธรรมคําสอนแล้วมีพระอริยสงสาวก มาช่วยอธิบายมาช่วยขยายความมาช่วยแนะแนวทางว่าต้องทําอย่างไรก่อนทำอย่างไรหลังอ ม, มาได้มีผู้ที่มีประสบะการณ์ผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วมาแนะแนวทางการปฏิบัติก็จะง่ายขึ้นเร็วขึ้นกว่าการที่จะต้องมาค้นคว้า <c oughs> วิธีการปฏิบัติขั้นตอนต่างๆด้วยตนเองออ ในพระไตรปิฎกนี้ก็มีพระธรรมที่ทรงทงสอนทรงแสดงไว้หลายระดับด้วยกันระดับต้นก็มีระดับกลางก็มีระดับปลายก็มีถ้าไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะ ก, ก็อาจจะไม่ทราบว่าอันไหนเป็นต้นอันไหนเป็นกลางอันไหนเป็นปลายก็อาจจะทําไม่ถูกเมื่อทําไม่ถูกไม่ใช่เพราะว่ายาไม่มีประสิทธิภาพ แต่ผู้ใช้ยานี้ใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกตามความสมควรของยาก็อาจจะทำให้การรักษาโครคภัยไข้เจ็บนี้เชื่องช้าไม่คืบหน้าก็ได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าได้ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆถ้ามีแต่พระธรรมคำสอนเพียงอย่างเดียวไม่ช้าก็เร็วก็สามารถที่จะ รักษาโรคใจให้หมดสิ้นไปจากใจได้อย่างแน่นอนอ น, นี่คือสิ่งที่เราควรเชื่อถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับเวลาเราไม่สบายเราก็ต้องเชื่อหมอเชื่อยาเชื่อโรงพยาบาลเชื่อว่าโรงพยาบาลนี้มีหมอที่เก่งมียาที่มีประสิทธิภาพเวลามีโรคภยไข้เจ็บ ก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้พอไปรักษาได้ไม่นานก็หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆในพระพุทธศาสนานี้ก็เปรียบเป็นเหมือนโรงพยาบาลมีหมอที่เชี่ยวชาญในการรักษาโรคของความโรคของความทุกข์ใจ ม, มียาที่มีประสิทธิภาพที่จะเอามาใช้ในการรักษาความทุกข์ใจ ให้หมดสิ้นไปจากใจได้อย่างแน่นอนถ้าเรามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันก็จะทำให้เราไม่ลังเลสงสัยว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกก็ดีหรือการปฏิบัติตามคำสอนของพระอริยสงสาวกก็ดีจะสามารถ ช่วยกำจัดความทุกข์ต่างๆของเราให้หมดสิ้นไปได้อย่างแน่นอนลต่เวลาที่เราไปศึกษากับพระที่เราคิดว่าเป็นพระอริยสงฆ์แต่เราบางทีก็อาจจะไม่รู้ว่าท่านเป็นหรือไม่เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราไม่ลังเลสงสัยว่าท่านสอนถูกหรือไม่เราก็ต้องศึกษา จากก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติอย่างไรบ้างเช่<อ>นทรงสอนให้เราปฏิบัติมรคแปดหรือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาเป็นต้นนี่คือคำสอนหลักของพระพุทธเจ้าในการกำจัดความทุกข์ต่างๆนี้พระพุทธเจ้าจะสอนให้สำหรับบางคนก็สอนให้ทำทานก่อนแล้วค่อยรักษาศีลแล้วก็ภาวนา สำหรับบางคนท่านก็สอนให้รักษาศีลไปเลยแล้วก็ปฏิบัติภาวนาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาไปบางคนท่านก็สอนละเอียดลึกลงไปสอนเป็นเป็นมรรคแปดไ น, นี่คือสิ่งที่ทางหรือเครื่องมือหรือยาที่จะอามากำจัดความทุกข์ของใจได้ที่สอนโดยพระพุทธเจ้า นี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้อย่างน้อยต้องศึกษาจากต้นต่อก่อนจากของเดิมก่อนของเดิมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรารู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างเราก็ไปหาครูบาอาจารย์เพื่อมาช่วยสอนเพื่อสอนวิธีสอนรายละเอียดต่างๆของการปฏิบัติแต่ละขั้นว่า ทำทานต้องทําอย่างไรรักษาศีลต้องรักษาอย่างไรเจริญสติสมาธิจะต้องทําอย่างไรพิจารณาทางปัญญาจะต้องทําอย่างไรเป็นต้นอันนี้ถ้ามีพระอริยสงฆ์มาสอนเรามันก็จะง่ายกว่าที่เราจะต้องมาค้นคว้าได้ด้วยตนเองเบื mm ้อ hmm. งต้นเรารู้จากแนวทางปฏิบัติแล้วแต่เรายังอาจจะไม่รู้รายละเอียดของการปฏิบัติ ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรปฏิ I i บฏัติอย่างไหนก่อนปฏิบัติอย่างไหนหลังเป็นต้นถ้าเราได้พบกับาพระอริยสงฆ์ท่านก็จะสอ น, นรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ให้กับเราถ้าท่านไม่ใช่เป็นพระอริยสงฆ์ท่านอาจจะสอนขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าท่านสอนขัดกับคําสอนของพระพุทธเจา้าเราก็จะได้เราก็จะได้รู้ว่าท่านอาจจะไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์ก็ได้ท่านอาจจะไม่ได้สอนอย่างถูกต้องก็ได้ เราก็อาจจะเปลี่ยนไปหาอาจารย์องอื่นแทนก็ได้เพราะสมัยนี้เราก็รู้กันอยู่ว่ามีอาจารย์มากมายที่อยู่ในพระพุทธศาสนาและแนวทางการสอนของอาจารย์แต่ละรูปก็อาจจะสอนไม่เหมือนกันนี่เราจะรู้ได้ยังไงว่าแนวทางไหนถูกแนวทางไหนผิดเราก็ต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบดู เอาเจ้าสอนให้รักษาศีลนะถ้าครูบาอาจารย์รูปไหนสอนให้รักษาศีลเหมือนกันก็ใช้ได้ให้รักษาศีลห้ารักษาศีลแปดรักษาศีลสิบหรื 8, 10, อรักษาศีลสองร้อยยี่เจ็ดนถ้าสอนเรื่องศีลเหมือนกันก็ใช้ได้แล้วเรื่องสมาธิบางอาจารย์ก็ไม่สอนก็มีบางอาจารย์ก็สอนก็มีบางอาจารย์ก็บอกว่าไม่จําเป็นจะต้องมีสมาธิก็ได้ ไปทางปัญญาเลยก็ได้แล้วมันขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าสอนว่าต้องมีสมาธิก่อนอนักษาศีลแล้วก็ไปเจริญสมาธิก่อนที่จะไปเจริญปัญญาต่อได้อพอใครสอนว่าไม่ต้องไปทาสมาธิก็ก็ควรจะเริ่มสงสัยได้แล้วว่าท่านสอนจริงหรือไม่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ทำไมพระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกสมาธิ แล้าทำมอาจารย์รูปนี้ท่านสอนว่าไม่ต้องฝึกสมาธิเราก็ลองไปปฏิบัติดูระหว่างการมีสมาธิกับการไม่มีสมาธิอย่างไหนจะมีคุณค่ามีคุณประโยชน์มีประสิทธิภาพมากกว่ากันเราก็ไม่กล้าตัดสินใจว่าอย่างไหนถูกอย่างไหนผิดเราต้องเป็นผู้เลือกเอาเองก็แล้ว ก, ก, กันว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ฝึกสมาธิก่อน ยังไม่ให้ไปทางปัญญาทำไมอาจารย์รุ่นนี้ท่าวบอกไม่ต้องฝึกสมาธิก็ได้ไปทางปัญญาก็ได้เลยแล้วผลเป็นยังไงผลความทุกข์ทางใจหมดไปหรือไม่อันนี้เราต้องไปพิสูจน์เอาเองถ้าเราเชื่ออาจารย์เราก็ต้องทำตามอาจารย์ก็ลองปฏิบัติดูถ้าปฏิบัติไปแล้ว้าความทุกข์หมดไปได้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกัน แต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วความทุกข์มันไม่หมดไปก็าอาจจะคิดเริ่มสงสัยได้แล้วว่าอันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติมาหลายปีแล้วไม่ได้นั่งสมาธิเลยมีแต่พิจารณาปัญญาอยู่ทำไมความทุกข์ของเราจึงไม่หมดไปเสียทีถ้าเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับไปหาหมอแล้วหมอให้ยามากินกินมานานเป็นปีก็ไม่หายจกสีโรคที่ ที่หมอให้ยามารักษาอาจจะเป็นหมอที่ไม่มีความสามารถก็ได้นัอาจจะต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนหมอเปลี่ยนยากันอย่างเราคงจะทราบกันอย่างคนบางคนรักษากับหมอคนนี้กับโรงพยาบาลนี้อยู่สักพักหนึ่งรักษาไปแล้วไม่หายฮะก็ต้องลองไปเปลี่ยนหาหมอใหม่หาโรงพยาบาลใหม่หายาใหม่ก็ได้ฉันได้ฉันนั้นเรื่องของครูบาอาจารย์ ที่จะมาสั่งสอนเรานี้มันเป็นเรื่องที่ยังไม่แน่นอนเพราะครูบาอาจารย์แต่ละรูปนี้มีความรู้ความสามารถในระดับไม่เท่ากันสูงต่ำไม่เท่ากันรู้มากรู้น้อยไม่เท่ากันมารู้ผลได้มากได้น้อยไม่เท่ากันนั่นเ อ, ององค์ไหนองค์ไหนที่ได้มารุ้ธรรมขั้นสูงแล้วท่านก็จะสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำผู้ที่ไปศึกษาจากท่านก็สามารถที่จะ จำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าไปศึกษากับองค์ที่ยังไม่บรรลุธรรมแล้วมาสั่งสอนถูกบ้างผิดบ้างแล้วานามาไปปฏิบัติผลมันก็จะไม่เกิดขึ้นมาโดตกรรการดับของความทุกข์ต่างๆมันก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเราก็จะต้องสงสัยได้แล้วว่าเอท่านสอนถูกหรือไม่เราก็ต้องมาเปิดตำราดู เปรียบเทียบดูว่ามีในตําราไหยที่สอนว่าไม่ต้องฝึกสมาธิมีตรงไหนที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกมั้งว่าไม่ต้องใช้สมาธิก็ได้ใช้ปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่มีพระธรรมคําำคำสอนพระเจ้านี้ที่ทรงแสดงในรูปแบบต่างๆมีสมาธิอยู่มังแปลก็มีสัมมาสมาธิตายศิขาก็มีศินสมาธิปัญญาอินรี่ห้าพระหะก็มี ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีสมาธิอยู่ในแทบทุกคำสอนอแล้วทำไมอยู่ดีๆจึงจะมามีการบอกว่าไม่ต้องใช้สมาธิก็ได้ถ้าไม่ต้องใช้สมาธิพระพุทธเจ้า ก, ก็คงจะบอกแล้วว่าไม่ต้องใช้สมาธิให้เสียเวลาไปเจริญปัญญาได้เลยแต่มันเป็นไปไม่ได้การญดดับความทุกข์ได้โดยที่ไม่มีสมาธินี้ดับไม่ได้ปัญญาตามลาพังนี้จะไม่มี กำลังที่จะหยุดความทุกข์ดับความทุกข์ได้ต้องอาศัยกําลังของสมาธิช่วยปัญญาอีกทีหนึง่งปัญญาเป็นเหมือนเพียงแต่รู้เหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากกิเลสปัญหาความโลภความอยากต่างๆแต่ผู้ที่จะหยุดความโลภความอยากต่างๆนี้ต้องเป็นสมาธิไม่ใช่เป็นปัญญาปัญญาเพียงแต่ชี้จุดว่าเหตุอยู่ตรงนี้เกิดปัญหาอยู่ตรงนี้ แต่การที่จะแก้ปัญหาหยุดปัญหาต้องเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งเข้ามาแก้อันนี้สองหน่วยงานด้วยกันปัญญาเป็นผู้ค้นหาสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรพอรู้แล้วก็ต้องเรียกสมาธิมาช่วยหยุดเหตุนี้<ม>เพราะว่าปัญญาไม่มีกําลังที่จะหยุดเหตุได้ด้วยตัวเอง<ม>อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาต้องเข้าใจ เร้รู้จักแยกแยะว่าความศรัทธาความเชื่อของเรานี้เราจะต้องเชื่อแบบไหนอย่าเชื่อแบบงมงายในการมาสวดท่านก็สอนว่าอย่าเชื่อแบบงมงายอย่าไปเชื่อเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์ของเราอย่าไปเชื่อเพราะว่ามีคนเชื่อกันมากก็เลยคิดว่าต้องเชื่อตามเขาทิ่งเหล่านี้เชื่อได้แบบเชื่อหูฟังหูฟังหูไว้หูก็อย่าไปเชื่อจนกว่าเราจะพิสูจน์ได้ ต้องเอาไปเอาคําสอนของเขาไปปฏิบัติไปพิสูจน์ดูเหมือนกับหมอที่ให้ยาเรามารับประทานเราก็ต้องรับประทานยา น, นั้นดูดูซิว่าหมอให้ยามาแล้วทําปกติถ้ากินยานี้ห้าวันหายแต่ยาที่หมอให้มานี้กินห้าวันมันไม่หายมันก็ต้องสงสัยแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นน่าจะต้องไปถามหมอใหม่ไปหาหมอใหม่แล้วถามหมอใหม่นี้ดูว่าทําไมกินยาแบบนี้ถึงไม่หาย ถ้าหมอใหม่ปหมอที่เชี่ยวชาญหมอที่รู้โลกภายไข้เจ็ตจริงๆก็อาจ จ, จะบอกว่ายานี้ไม่ใช่เป็นยารักษาโรคที่คุณเป็นอยู่ก็ได้แล้วหมอก็จะให้ยาใหม่มารับประทานเมื่อเรารับประทานยาใหม่ไปครบตามจํานวนที่หมอกําหนดไว้โรคที่เราเป็นก็หายได้ถ้าหายได้เราก็เราก็ต้องเชื่อแล้วว่าหมอหมอใหม่นี้เป็นหมอที่ถูกต้องหมอที่รู้จริงส่วนหมอเก่าที่ ที่ให้ยาเรมานี้เป็นหมอที่ไม่รู้ไม่จริงอาจจะจบจากอาจจะได้ปริญญาจากห้องแถวมหลาลัยห้องแถวก็ได้สมัยนี้เราคงได้ข่าวข่าวว่ามีคนจบหมอจบด็อกเตอร์จากมหลาลัยห้องแถวกันมีใบประกาศแต่ไม่มีความรู้ไม่สามารถนำเอาม า, มาใช้ในการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้เราก็ต้องรู้จักแยก้ยะการมีศรัทธาจึงต้องมีการแยกแยะมีการพิสูจน์มีการอะไร ทดสอบกันนะพิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสินรจริงหรือไม่ก็ไม่มีใครมาค้านพระอาหารพระอาหารกี่แสนลูกกี่ล้านลูกที่เป็นบรรลุพระอาหารจากคําสอนของพระเจ้าก็ไม่มีใครมาบอกว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่เป็นของจริงเป็นของปลอมเป็นพระพุทธเจ้าห้องแถวก็ไม่มีใครพูดกันก็แสดงว่าเราเชื่อได้ว่าพระเจ้านี้เป็นของจริงพอทำคําสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็ไม่มีใครมาแย้งว่าเป็นของ ของปลอมเป็นของไม่จริงไม่สามารถทําให้ผู้ศึกษาปฏิบัติหุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็มีพระอริยสงฆ์หรือพระสงฆ์ท่านนั้นที่ยังเป็นของที่ยังต้องมีการทดสอบเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นรุ่นรุ่นไปเพราะพระสงฆ์นี่ก็มีมามีมีรุ่นใหม่ปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆรืเราก็ต้องเราก็ต้องทดสอบดูถ้าเราอยากจะไปศึกษาจากพระพระสงฆ์ที่เรา ไม่ไม่รู้มาก่อนไม่มีใครรับรองมาก่อนเราก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยเราเองอย่าเพิ่งไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ก็ไม่ต้องปฏิเสธท่านอาจจะเป็นพระอริยสงฆ์ก็ได้หรือท่านแม่อาจจะอาจจะไม่เป็นพระอริยสงฆ์ก็ได้การจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นก็อยู่ที่การปฏิบัติตามคําสอนของท่านเอาอยาที่ท่านให้มารับประทานถ้ารับประทานแล้วหายหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บก็ถือว่าใช้ได้ถ้ายังไม่หายก็ถือว่าใช้ไม่ได้ นี่คือเรื่องราวของความศรัทธาความเชื่อในพร ะ, พ, ระพุทธศาสนาคือชาวพุทธเราถ้าอยากจะรับประโยชน์อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจอย่างอย่างถาวรเราต้องเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นที่รับรองกันมาทุกยุคทุกสมัยแล้วว่าเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงในการปฏิบัติในการกำจัดความทุกข์ของใจได้อย่างแน่นอน การแสดงสาหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ในลาดับต่อไปนี้เราก็จะมาพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นจริงหรือไม่พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้านั่งสมาธิได้ทาใจให้ยิ่งให้สงบได้เราจะสัมผัสกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มี ความสงบก็ค mm ือสมาธินี่เราต้องเราต้องพิสูจน์ดูว่าจริงหรือไม่จริงนั่งสมาธิแล้วจิตสงบแล้วเราได้พบกับความสุขกันยิ่งใหญ่หรือไม่ถ้านั่งเรายังไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่ายังไม่ไม่ใช่เป็นของจริงเพียงแต่ว่าเรายังนั่งไม่ถึงก็ได้ยังยังไม่ถึงขั้นยังไม่สําเร็จก็ต้องพยายามพิสูจน์ให้ให้ได้ว่าเราทำถูกถูกถูกหรือไม่วิธีที่ทําถูกก็คือเราต้องมีสติและเลิกนึกอยู่กับ กรรมฐานคืออารมณ์กล่อมใจอารมณ์ผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราใช้พุโทโธเป็นอารมณ์เราก็ต้องอยู่มีสติเราเลือกรู้อยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวไปเรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วถ้าสติต่อเนื่องดีไม่พังไม่เผลอจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้อันนี้เป็นประสบาการณ์ของผู้ที่ได้ใช้พุโทโธมาแล้วมาเล่าให้ฟัง ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ใช้พุโทโธท่านก็จะยืนยันว่าการใช้คํำบริกรรมพุโทโธนี้ถ้าไม่พังไม่เผอไม่ทิ้งพุโทโธอยู่กับพุโทโธอย่างต่อเ น, นื่องห้านาทีสิบนาทีจิตก็รวมเป็นสมาธิได้บางอาจารย์ท่านก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกอเป็นอารมณ์ก็ดูที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกก็รู้เฉยๆไม่ต้องตามเข้าไปไม่ต้องตามออกมา เอาสติผูกใจให้อยู่กับลมท่านนั่นเองไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าสามารถทําได้อย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวจิตก็รวมเป็นเข้าสู่สมาธิได้อันนี้เราต้องเป็นผู้พิสูจน์เองและการพิสูจน์เราก็ต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องที่เรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโนถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกเราก็ไม่สามารถที่จะไปพิสูจน์ได้ว่าคําสอนนี้เป็นคําสอนที่ถูกต้องอไม่ดังนั้นอยู่ที่เราด้วยว่าเราจะ ทำตามคำสอนได้ถูกต้องหรือไม่ถ้าทำได้ถูกต้องผลมันก็ต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนถ้าผลยังไม่ปรากฏก็แสดงว่ายังทำไม่สำเร็จหรื อ, อยังทำไม่ถูกต้องก็ต้องพยายามฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ามีผู้ยืนยันว่าการใช้พุทโธก็ดีการใช้ลมหายใจเข้าออกก็ดีนี้สามารถทำใจให้เข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิได้เียงแต่ว่าเราเราทได้หรื อ, อยังเท่านี้ ถ้าทำยังไม่ได้ก็สาเหตุส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่าเราสติเรายังไม่ไม่มีกําลังมากพออยู่กับพุทโธได้ไม่ไม่เพียงกี่วินาทีก็แวบไป ค, นนคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ดูลมก็ดูได้แวบเดียวเดี๋ยวก็ไปหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้นั่งไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็จะไม่มีความสงบได้ต้องนั่งแบบไม่แวบไปไหนเลยถ้าอยู่กับพุโทโธก็อยู่พุโทโธอย่างต่อเนื่องถ้าอยู่กับลมก็ต้องอยู่กับลมอย่างต่อเนื่องเท่านั้น ผลนึงจะปรากดขึ้นมาได้ตอนนี้เราจะมานั่งกันให้มีสติกำกับใจอยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราชอบที่พเพราะนอที่เราถูกใจถ้าชอบพุโทโธก็ใช้กรรมฐานพุโทโธถ้าชอบลมหายใจก็ใช้กรรมฐานลมหายใจถ้ายังดูลมไม่ได้ยังบริกรรมพุโทโธไม่ได้เพราะคิดมากก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดไปเพื่อลดความคิดลงให้เบาบางลงพอความคิดเบาบางลง พอมาดูลมได้ก็เปลี่ยนมาดูลมหรือพอมาบริกรรมพุโทโธได้ก็เปลี่ยนมาบริกรรมพุโทโธพอเข้าถึงพุโทโธหรือเข้าถึงลมแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะให้อยู่กับลมไปหรืออยู่กับพุโทโธไปจนกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิขึ้นมานี่คือวิธีการนั่งสมาธิอย่าไปสนใจกับอะไรที่เข้ามาในใจขณะที่เรานั่งมีเสียงมีอารมณ์ต่างๆมีรูปมีภาพมีอะไรอย่าไปสนใจ ให้ใจพุ่งอยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวถ้าไม่อยู่กับกรรมฐานไปสนใจสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาใจก็จะหลงทางใจก็ไม่สามารถเข้าสมาธิได้ผู้ที่จะพาให้ใจเข้าสมาธิได้ก็คือกรรมฐานกับสติให้ลเลือนเลื่อนอยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวแล้วใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ต่อไปแล้วฝ่อไปนี้เราก็จะนั่งสมาธิกันประมาณสักยี่สิบหกนาทีด้วยกัน ถ้าเวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ไม่ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกก็ปรวจสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจาวิธีนั่งของวันนี้ไว้รับคาหน้าเวลานั่งใหม่ก็จะได้สงบเหมือนวันนี้ต่อไปอย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบด้วยความอยากจะสงบด้วยวิธีที่นั่งที่ถูกต้องอย่างวันนี้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกําลังไม่มากพอ ต้องมันฝึกสติระหว่างวันให้มากขึ้นเราสามารถจเจริญสติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเริ่มตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวหการกระทำต่างๆของร่างกายไปอย่าให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่งนี้ถ้าเดี๋ยว จ, จะมีสติเพิ่มมากขึ้นตามลำดับต่อไปแล้วต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตจินางเตตานังอุปการปติอิชิตังปะิตังตุมังคิตเมวาสมิชจตุกสพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ อาระโสยะาสพิติโยวิวาชจตุสัพพโรโควินาสตุมัตตภวตวันตาายโยสุขิทีขายุโกภวาอภิวาทนสีลิศานิจจงวุฒาปจายินุจตารโรธรรมวาทานเตอายุวันโอสุขัง ช่วงต่อเมนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะได้รับคําตอบเพราะว่าหลังจากแล้วก็จะไม่สะดวกที่จะให้คําตอบต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามหเท่าไหร่คราบเรียนครับผู้อาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook ผู้อาจารย์สุชาติ280ท่านทาง youtube ผู้อาจารย์สุชาติ250ท่านทาง youtube วีแปดสิบเท่านทางคลับ House 5ท่านทางวิทยุออนไลน์5ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ91ท่านรวมทั้งหมด เจ็ดร้อยยี่สิบท่านครับครับนักวการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมาทางดรวีจ้าลูกกราบเรียนขอปัญญากับหลวงพ่อครับเวลาลูกนั่งภาวนาโดยการพิจารณาเรื่องกายกับจิต ท, ทุกครั้งจะไม่รู้สึกเสียดายร่างกายเลยเป็นเพราะอะไรครับ ไม่รู้เหมือนกันเนะแต่เวลานั่งไม่ให้นั่งแบบนี้ให้นั่งเพื่อให้ใจสงบให้ใจมีความสุขต้องนั่งกับกรรมฐานต้องมีพุทโธพุทโธอยู่ใน ใ, นใจแล้วดูลมหายใจเข้าออกจะดีกว่านั่งแบบนี้มันเป็นการนั่ ง, น, งนั่งคิดปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปมันก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้ไม่ใช่เป็นของแท้ของจริงงั้นอย่าไปสนใจ ของจริงก็คือความสงบอันนี้แหละเป็นของจริงเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะทําให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ต่อไปใชค่ะจากทาง youtube เวลานั่งไปนานๆเวทนาเกิดทั้งปวดทั้งชาทั้งเจ็บที่ขาขอคํำแนะนําในการปฏิบัติด้วยค่ะนั่งต่อไปไม่ต้องสนใจอยู่กับพุทโธไปก็ อ, อยู่กับลมไปถ้าอยู่ไม่ได้ก็อยู่กับการสวดมนต์ไปก็ได้ อย่าไปสนใจกับการปวดเพราะยิ่งสนใจยิ่งปวดใหญ่ถ้าไม่สนใจมันก็จะไม่ปวดมันก็จะไม่มาลบปวนใจค่ะจากทางยูทูบสิคะขอเดี๋ยวถามเจ้าค่ะถ้าตายในขณะสวดมนต์จะได้ไปสู่สุคติไหมคะมันไม่ได้อยู่ที่ตายแบบตอนสวดมนต์หรือไม่สวดมนต์มันอยู่ที่บาปที่บุญเราสะสมไว้ว่าอันไหนมีมากกว่ากันถ้าบาปมากกว่า บ, บุญก็ไปทุคติไปอบาย ถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะพาไปสวรรค์ยังตอนนี้เราต้องรีบสะสมบุญไว้ให้มากกว่าบาปแล้วเวลาตายตายแบบไหนก็ไม่ไม่สำคัญเช่ไค่ะถ้าเราไปตักบาตรที่วัดพระให้พรเสร็จหลังจากนั้นญาติโยมก็นำอาหารมารับประทานเรายังไม่ได้กล่าวลาคำว่าเสดสังมังครายาจามิญาติโยมจะบาไปไหมครับอันนั้นมันแค่เป็นพิธีกรรม โดยหลักธรรมแล้วก็หลังจากที่พระท่านได้ของที่ท่านต้องการแล้วส่วนที่เหลือท่านก็แจกให้กับญาติโยมญาติโยมจะฉันจะกินที่ศ า, าลาหรือจะยาวกลับไปบ้านก็แล้วแต่แต่ไม่ควรยาวกลับไปบ้านก่อนควรจะให้คนที่อยู่ศาลาแบ่งกินกันก่อนแล้วถ้ามีเหลือแล้วไม่มีใครต้องการอยากจะยาวกลับไปบ้านก็เอาไปได้อาจจะไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแ้วที่ไหนก็ได้แต่เบื้องต้นอย่าแย่งกันของที่ จากบุญศาลานี้เอามาไว้เหมือนกับเป็นต้อนรับแขกญาติโยมเป็นเหมือนแขกมาทําบุญที่วัดวัดก็มีของที่เหลือจากพระก็เอามาจัดให้ญาติโยมรับประทานกันเมื่อรับประทานเสร็จแล้วถ้ายังมีเหลืออยู่จะขายยาวไปยังไงก็ไม่เป็นปัญหาการกล่าวไม่เก่าวนี่มันเป็นเพียงแต่เป็นการทําพิธีกรรมเท่านั้นเองแต่โดยหลักทำหลักความเป็นจริงแล้ ว, ลวคือต้องของของที่ถวายพระนี่ต้องแจกพระก่อนพระต้องเลือกก่อน พระพาเลือกเสร็จแล้วที่เหลือก็ให้ญาติโยมแล้วถ้ายังมีเหลืออยู่ญาติโยมยาวไปฝากน้องหมูน้องแมวน้องหมาก็ก็แล้วแต่แต่อย่าแย่งกันแย่งกันเป็นกิเลสเป็นความโลภเจค่ะมีคําถามฝากถามเข้ามาว่าเออถ้าถ้าเคยทําแทงเจ้าค่ะจะทําบุญแบบไหนที่ให้ถึงกับวิ ญ, ญญาณที่ทําแทงไปเจค่ะก็เหมือนกันกบแบบอื่นนะ ทำบุญแบบที่เราอุทิศให้ปู่ย่าตายายก็แบบเดียวกันเพราะเป็นดวงวิญญาณเหมือนกันก็เพียงแต่กล่าวชื่อเขาหรือกล่าวลักษณะเขาเป็นใครขอ้าบุญไปที่ให้กับน้องที่อยู่ในท้องที่อยู่ในท้องที่ไม่ไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้นมาเขาก็จะรู้ว่าเป็นของเขาเวลาเราส่งไปถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับเจ้าค่ะ จากยูทู u ด็อกเตอร์วีจ้าจากถ้าอิทธิบาทสี่คือ Key Success Factor ทำข้อไหนที่ขาดแล้วจะทำให้ไม่ประสบผลคะมันก็ต้องครบทั้งสี่ข้อนะขาดใดข้อในข้อหนึ่งมันก็มันจะมาเป็นพวงอ่ะเหมือนเหมือนผลไม้เนี่ยมันมันางทีมาตั้งพวงเ่ยรังสานี่มันมาต้งพวทงทำก็เหมือนกันทำมันเป็นมันมาเป็นกลุ่ม อิทธิบาตรสีก็เป็นกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นที่มีฉันท่าก่อนต้องชอบรักในของที่เราจะทําชอบเล่นเกมนันก็จะมีมีวิริยะความขออยันตามมามีจิตใจจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมมีแต่ความคิดถึงแต่เรื่อ ง, เ ร, องเรื่องการเล่นเกมเพียงอย่างเดียว<ม>งั้นต้องมีฉันท่าเป็นตัวเริ่มต้นก่อนอยากจะชอบอะไรเราไปทําทําในสิ่งที่เราชอบมันจะง่ายถ้าเราต้องไปทำในสิ่งที่เราไม่ชอบมันจะยาก เช่นอชอบเที่ยวกว่าชอบทํางานในไหนยากคนส่วนใหญ่ไม่ชอบทํางานกันใช่แต่ชอบเที่ยวกันอพอได้เที่ยวมีความสุขขยันเที่ยวกันอย่างอย่างแบบว่าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยแต่ว่าทํางานทำไม่ได้กี่ชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วอย <parity> ่าอย่าพักใหญ่ก็พอนแล้วเพราะไม่มีความชอบเราเริ่มต้นที่ตัวชันทะตัวที่ความชอบก่อนความชอบความยินดีถ้าเราชอบเรายินดีในสิ่งใดแล้วก็จะพุ่งไปหาสิ่ ง, งนั้นทันที เจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะอมีคำถามสำรองเก็บไว้ไหมที่อยากจะเอามาถามกล่าวนามัสการพระอาจารย์ค่ะโยมอยากทราบคำว่าวิมุตติวิมุตติญาณมันเป็นยังไงค่ะวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเหมือนเราไม่สบายทางร่างกายแล้วกินยาเข้าไปพอโรคหายก็จวิมุติหายจากโรคนั้นไปยาก็คือการรับรูอ้อย่างทราบอย่างทราบว่าอเอาตอนนี้ที่โรคที่เราเป็นเมื่อกี้นี้หายแล้วไม่มีโรคนี้อยู่ในร่างกายเราอีกแล้วในใจก็แบบเดียนตอนนี้เรามีความทุกข์เราใช้การปฏิบัติทำใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิดับความทุกข์ได้ความทุกข์หายไปก็เป็นวิมุติ แล้วก็ญาณก็รับรู้ว่าอ๋อเมื่อกี้นี้เรามีความทุกข์เดี๋ยวนี้ความทุกข์หายไปแล้วเรียกญาณญาณคือการอย่างการรับรู้การอย่างทราบแล้วคล้ายๆกับนิพพานไหมเจ้าคะ่ะนิพพานก็คือการการการหายจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ในใจอเลยและ ว, วิมุตติกับนิพพานต่างกันไหมคะก็คําว่าวิมุตติก็การหลุดพ้นจากความทุกข์นิพพานก็คือการไม่มีความทุกข์ ส, สมันคืออันเดียวกันเหรอเจ้าคะมันไม่อันเดียวกันหรอกอวิมุตมันมีหลายหลายโลกหลายทุกข์อะหาจากทุกขจากสามีมาทุกข์กับเรื่องเงินมาทุกข์กับเรื่องลูกอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องๆไปอั น, นิพานหมดเลยไม่มีเหลืออยู่เลยทุกต่างๆหายหมดอย่างเงี้ยได้วันนี้ผ่านถ้ายังมีทุกข์หลงเหลืออยู่ยังไม่ยังไม่เป็นนิพพานอ๋อเจ้าค่ะ พอใจเนีพอเข้าใจเจ้า่ะนิพพานคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทุกชนิดไม่มีความทุกข์อะไรเหลืออยู่ในใจเลยนิพพานแต่ถ้าเราเราหลุดพ้นจากความทุกข์จากการมีสามีเพอย่าสามีได้หมดทุกข์กับสามีไปอ่าแ้วยังมีทุกข์กับลูกอีกทุกข์กับเงินอีกเมื่อก่อมีสามีหาเงินให้เราใช้อันนี้ไม่มีสามีหาเงินให้เราใช้ทำไมมันมีทุกข์ใหม่ขึ้นมาอีก ยังไม่ได้พานอ๋อเจ้าค่ะหรือมีมดมีมดแปลว่าการการดับของความทุกข์แล้วุดพ้นจากความทุกข์แต่ไม่ทุกชนิดไหนมันมีหลายชนิดไงหลายระดับโสดาบันก็หลุดพ้นจากความทุกข์ ก, ก, ก, ก, กับเรื่องของร่างกายเรื่องความกลัวความตายความเจ็บไม่มีความทุกข์เรื่องนี้นะแต่ยังมีความทุกข์อย่าการอยากมีแฟนอยู่เจ้าค <laughs> ่ะเข้า <laughs> ใจไหมพอจะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะกล่าวเขาว่าคุณเจ้าค่ะ หากเฟซบุ๊กจ้ากระดาษธรรมสกญพระอาจารย์ค่ะกรณีเราทําบุญอุทิศให้พ่อบรรพบุรุษหากท่านไปเกิดใหม่แล้วบุญที่เราทําให้เสมอจะยังไปถึงท่านไหมคะก็ท่านไม่ท่านไม่รับนล่นหละพอ่อท่านมีบุญของท่านนะท่านหาบุญเองได้แล้วก็กลับมาหาเราเราเป็นเจ้าของบุญก็กลับมาหาเราเหมือนเวลาส่งของไปแล้วเขาไม่รับคนคนรับเขาไม่รับเขาส่งกลับมาที่คนส่งเนี้ยอ่า ทางยูทูบสคาหกราบนมัศการพระาจารย์ถ้ามีขนมสองอย่างที่จะแบ่งให้ผู้อื่นชิ้นหนึ่งเราชอบกว่าอีกชิ้นเราควรแบ่งชิ้นที่เราชอบกับผู้อื่นเพื่อเป็นการ ลักิเลสบ่อยๆใช่ไหมคะจริงคนจะอบาบกให้ชิ้นนี้เขาชอบมากกว่าทานเขาเขาชอบชิ้นไหนเราให้เขาชิ้นนั้นไปดีจะดีกว่าเดี๋ยวเราไปให้ในสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาก็จะไม่มีความสุขเพราะฉนั้นทางที่ดีให้เขาเลือกดีกว่าแล้วชิ้นไหนก็ได้ดอย่างนี้จะได้จะได้บุญมากกว่าเพราะเรายินดีตามมีตามเกิดมันมีสันโดษชิ้นนี้ก็ได้ชอบก็ได้ชิ้นที่ไม่ชอบก็ได้ด อยากให้คนที่เขาได้ของจากเรามีความสุขมากกว่าเราก็ให้เขาเลือกกันว่าคุณชอบชิ้นไหนเราไปเลยหรือจาชอบทั้งสองชิ้นก็ได้เราให้หมดเลยก็ได้เราจะได้บุญมากมากได้ความสุขมากมากทางยูทูบสักา ก, าาสการ์ดารรมสการ์ครับการนั่งภาวนาแลับเรื่องการที่อาจจะมีการวู๊แบบต ก, ต, กตึกจะเป็นเวลานานไหมครับเป็นวินาทีหรือเป็นต่อเนื่องยาวครับ เอาเวลาตกหัวมันเดียวเดียวมือนก็ตกจากที่สูงลงมาปั๊บแล้วมันก็นเด้งสงบเย็นสบายมีความสสุขสขาจากเฟซบุ๊กสุขากรณีเราคิดถึงพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วเราฝันถึงท่านท่านยิ้มแต่ไม่พูดเรากอดท่านบ่อยๆคือท่านมาเยี่ยมเราจิตเราปรุงแต่งไปเองค่ะก็ต้องทดสอบดูถามดูสิย่าพพ่อมาหาหนูหรือเปล่าเวลา ยังยังไม่มีคําถามเข้ามาสิคะบางทีที่ฝันถึงคนตายนี่บางทีเราคิดถึงเขาล้วก็ฝันได้บางทีเขาคิดถึงเราเขาก็มาหาเข้าฝันเราได้แล้วเราก็ต้องแยกแยะดูต้องคุยกับคนที่เข้าฝันมาถ้าคุยกันได้นี่ก็จะจะแว่าเป็นเขาเข้ามาหาเราแต่ถ้าเป็นแต่ฝันถึงเขาเราจะไม่ค่อยได้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันก็แค่คิดว่าเป็นความความคิดถึงของเรามากกว่า สดีค่ะทางมีการอยากจะถามใม่ทางนู้นเดี๋ยวรอเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวอาจจะมีคนกำลังพิมพ์ข้อความเข้ามาพระอาจารย์เคยเจอเวทนาแบบรุนแรงแล้วแบบยอยู่หายไปแล้วเหมือนไม่มีโรคเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมคะแม่เจ้าคะเออ๋อมันไม่หายเองต้องใช้สเติตช่วย มันช่วยให้ใจสงบมากกว่าพอใจสงบแล้วอาการปวดอาจจะหายไปหรืออาจจะลดน้อยลงหรืออาจจะเท่าเดิมไม่แน่แต่อาการปวดทางใจจะหายไปหมดความทุกข์ทรมานทางใจจะหายไปหมดด้วยอํานาจของสติคำบริกรรมพุทโธพุทโธในเวลาเกิดอาการเจ็บทางร่างกายอย่าไปสนใจให้กลับมาหาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป แล้วถ้าจิตมันรวมมันจะสงบแล้วมันก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของทางร่างกายอเจ้าโยมเคยฟังหลวงตามหาบัวเจ้าค่ะเวลาท่านปฏิบัติแล้วท่านก็จะบอกว่าเรื่องจิตมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็ยากที่จะเข้าใจที่ผู้ปฏิบัติยังต้องวนเวียนแล้วก็งงอยู่ในสิ่งนี้พระอาจารย์คิดยังไงเจ้าค่ะก็อย่างนั้นแหละใหม่ๆก็มันก็อาจจะเป็นของแปแลกเราไม่เข้าใจว่าจะปฏิบัติกับเขาอย่างไร แต่พอปฏิบัติไปลองผิดลองถูกเราก็จะรู้วิธีปฏิบัติเองใช่กับนัาบัญชการหลวงพ่อค่ะลูกได้อ่านหนังสือเปิดใจเปิดธรรมซึ่งก็อ่านรวดเดียวเหมือนกันก็คืออ่านก่อนนอนแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาอ่านจนจบก็รู้สึกว่าได้กำลังใจและได้ประโยชน์จากหนังสือของหลวงพ่อค่ะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็พยายาม ลดละบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าความเด็ดเดี่ยวก็ไม่สามารถสู้หลวงพ่อได้แน่ๆ น, นะคะที่จะถามก็คือว่าบางครั้งพอเราอ่านชีวิตของครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็มีกำลังใจแต่พอลงสู่สนามแล้วเนี่ยกิเลสหรือว่าเรื่องที่มันกระทบในชีวิตประจำวันที่เรายังต้องเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็พาเราขึ้ น, น, นลงๆอย่างนี้คะ่ะหลวงพ่อที่ ที่แน่ๆก็คือกิเลสของเราเองเนี่ยค่ะหลวงพ่อที่มันแบบมันก็เลยทำให้เราปฏิบัติแบบขึ้นลงขึ้นลงมันไม่เป็นเส้นสม่ำเสมอค่ะหลวงพ่อก็เลยอยากจะก็เราขาดสติเป็นหลักถ้ามีสติเราจะควบคุมอารมณ์เราได้ดีขึ้นทำใจเราให้นิ่งมากขึ้นแล้วจะทำให้เร า, เาไม่ทุกกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราต้องเผชนญนะพยายามฝึกสติให้มากขึ้น ความจิตเราจะนิ่งมันจะเฉยได้เวาเจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็สามารถฟันฝ่ามันไปได้อย่างอย่างไม่ยากเย็นแต่ถ้ามันมีสติแล้วมันสติแตกมันมันงงไปหมดมไม่รู้จะทํายังไงมันต้องฝึกสติเยอะๆเราะจะรู้ว่าวิธีต่อสู้กับทุกอย่างก็คือนิ่งเฉยเอาเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวเฉยๆไปเดี๋ยวทุกอย่างมันก็หายไปเองหมดเอง แต่ถ like ้าเราไม่ม yes. right. so, ีสติเราก็อยากจะแก้อยากย้ายมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยิ่งแก้ยิ่งพันยิ่งยิ่งทําให้เรายิ่งทุกข์มากขึ้นไปใหญ่ค่ะถ้าแก้ไม่ได้อย่าไปแก้ทําใจให้นิ่งสงบเถอะพุทธกมาหาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วปล่อยวางข้างนอกไปข้วงนอกจะเป็นยังไงก็เราก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนตอนนี้ราคาน้ี่มันขึ้นอย่างนี้เราไปทําอะไรได้เปล่ามันก็จะขึ้นอยู่กับมันอย่างนั้นเราอยากให้มันไม่ขึ้นเราก็จะเครียดอืมปล่อยมันมันจะขึ้นก็ขึ้นมันจะลงก็ลง เราทำใจสงบแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนแล้วก็ตอนท้ายๆที่อ่านตอนที่หลวงพ่อไปอยู่ที่วัดหลวงตาค่ะเท่าที่ลูกจับประเด็นได้ก็คือว่าหลวงพ่อจะภาวนาส่วนตัวมากๆไม่ไม่ไปยุ่งกับพระรูปอื่นหรือว่าแม้แต่แบบหลวงพ่อเขียนตึงหลวงตาก็เหมือนกับว่าหลวงพ่อเข้ามาหาตัวเองเป็นหลัก คือเอาตัวเองในการปฏิบัติเป็นหลักไม่ได้ไม่ได้ยึดติดกับข้างนอกอันนี้เป็นการลุยปฏิบัติแบบนั้นเลยใช่ไหมคะพอรู้หลักแล้วเราก็ท <ำ S 2> ําโลดข้ขจิตเข้าห้างในแล้วก็รู้ว่าปัญหาอยู่ข้างในผู<า>้ต่อสู้ของเราอยู่ข้างในกิเลสความโลภความอยากของของเร า, ามไม่ใช่คนอือ่นรา้ว่าคนอื่นนีก็ช่วยอะไรเราไม่ได้<า>ในการสู้กับกิเลสนอกจากหน้าวิธีเทคนิควิธีการแต่จะมาให้เราให้ม า, ากําจัดกิเลสให้กับเราไม่ได้ เราต้องกําจัดเองมัน<ล>ถ้าเราไปยุ่งกับคนอื่นไปทํากิจอย่างอื่นมันก็ทําให้เราเสียเวลาค่ะหลว ง, งพ่อคําถามสุดท้ายค่ะหลวงพ่อเวลาที่เราต่อสู้กับกิเลสตัวเองเนี่ยยามไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อมีความขี้เกียจความท้อแท้ความอะไรพวกนี้ไหมแล้วช่วงที่หลวงพ่อต่อสู้กับกิเลสหลวงพ่อทํำยังไงตัวคะหลวงพ่ อ, พอมื่อเราโชคดีอย่างหนึ่งคือเราได้สัมผัสกับความสงบตั้งแต่ก่อนที่เรา Mm hmm. จะปฏิบัติจริงจังะเพราะเราพอได้ความสงบเราทีนี้มันช mm hmm. ันทะมันก็เกิดขึ้นความอยากยาให้มีความสงบมากๆขึ้นมันก็เลยทําให้เราขยันมากขึ้นงั้นความที่เกียไดไม่มีพอได้สำเร็จกับความสงบทั้งแรกครั้งเดียวเนี่มันเหมือนกับได้ได้พบเงินทองที่เป็นของเราที่ ท, ที่หายไปอย่างเี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนตอนนี้รูั่วมันอยู่ตรงนี้ mm hmm. ยังต้องขุดขุดลงไปในดินอีก มันก็เลยทําให้มีความเพียรพย่างที่ขุดให้มากขึ้นมากขึ้นเพรจะได้ขนเงินทองที่อยู่ในดินะว่ามันเป็นของเราได้มากขึ้นเห็นไหมถ้าถ้ายังไม่ได้พบกับความสงบมันยากมันมันไม่มีกําลังใจไม่มีฉันทะวิริยะไม่มีอิทธิบาทสิพอได้พบกับความสงบได้พบกับความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อน้ทีนี้มันก็มีแรงโดนใจมันก็จะไม่ขี้เกียจมันกล้าสละทุกสิ่งทุกอย่างงานการที่ทําอยู่ก็สละลาออกจากงานไปเลย ของเงินที่ได้อย่างเงินเดือนที่ได้จากการทํา ง, งานมันจิ๊บจ้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบมันก็เลยไม่สนใจอะไรในโลกนี้ต่อไปคนอะไรทั้งหลายไม่สนใจหมดเลยสนใจแต่ความสงบตัวนี้ตัวเดียวนั่นพยายามทําให้ได้ก่อนพยายามฝึก บ, บ่อยๆฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆให้ให้ได้ความสงบก่อนชาคาชัาาากคุณใบหยก ความอยากและไม่อยากทําให้เกิดการกระทําแต่ลูกตัดได้แค่เพียงเล็กน้อยเจ้าค่ะต้องพิจารณาไตารักถูกใหม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เมตตาชี้ในลูกด้วยเจ้าค่ะต้องฝึกเสตินั่งสมาธิให้มากก่อนให้มีอุเบกขาแล้วมันจะวางเฉยได้แล้วพอใช้ปัญญามันก็จะตัดขาดได้อย่างถ า, าวรไปเลยปัญญาจะสอนให้เร า, าอย่าไปยุ่งกับใครยุ่งอะไรมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นน่ะ ความสุขที่ได้จากอะไรมันเป็นความสุขชั่วคราวไปมาเดี๋ยวมันก็หมดไปสถานการณ์เปความทุกข์ขึ้นมา่อยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความว่างดีกว่าที่ไม่มีวันที่จะทําให้เราทุกข์ได้ช า, า ช, าาชาวขาวจากยูทูปพระอาจารย์สักค่ะกราบในมันสการพระอาจารย์ครับความปรารถนาพาันิพานเป็นกิเลสหรือไม่ครับไม่เป็นมากนะเป็นปันธรรมการอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์มันนําไปสู่การหลุดพ้น ความอยากล่มอยากรวยนี่มันพาให้เราไปสู่กองทุกข์อันนี้เป็นกิเลสอันใดที่พาให้เราไปสู่ความทุกข์นี่เป็นกิเลสอะไรที่พาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นี่เป็นธรรมเป็นเป็นมรรคการอยากทำบุญนี่เป็นธรรมอยากรักษาศีลอยากนั่งสมาธิอยากจะไปวดัดอยากจะไปบวชนี่เป็นธรรมนะถ้าอยากจะล่ำอยากจะรวยอยากจะเป็นนายกเนี่ยเป็นกิเลส สค่าจากยู u ูปพระอาจารย์สค่าเวลาฟังเทศแล้วเห็นคําพูดหลวงพ่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดเกิดดับๆับไม่ควรใช่ไหมครับควรเอานิ่งสงบอย่างเดียวใช่ไหมครับการฟังก็ฟังให้ให้เกิดความเข้าใจจะได้ปัญญาไม่ใช่ฟังให้มันเกิดเกิดดับๆับฟัที่ไหนก็ได้เกิดเกิดดับดับไม่ฟังในสภาก็เกิดเกิดดับดเหมือนกันนะแต่เราต้องการสาระในการฟังต้องการเอามาใช้เป็นประโยชน์ในการดับความทุกข์ใจ ถ้าไปฟังในสภามันก็จะเกิดกิเลสอยากจะฆ่ากันถ้าฟังเทศฟังธรรมมันก็อยากจะฆ่ากิเลสอยากจะหยุดความโลภความโกรธความหลงดังการฟังแต่ละอย่างมันมีผลต่อจิตใจของเราเผอจะทําให้กิเลสมากขึ้นเลยทําให้กิเลสน้อยลงได้ฟังเรื่องธรรมะก็จะทําให้ความโลภโกรธหลงเบาบางลงน้อยลงฟังเรื่องทางโลกมันก็ยิ่งทําให้เกิดกิเลสมากขึ้นอยากยาวแพ้เอาชนะกัน เธอคะจากคุณนัทวุฒิค่ะสภาวะจิต ท, ที่สงบเป็นอย่างไรครับผมก็ต้องทําดูอันนี้พูดยังไจงจนมันตายก็เหมือนคนตาบอดเนี่ยบอกว่าสีแดงเป็นยังไงอธิบายเป็นยังไงมันก็ไม่รู้หอกว่าสีแดงเป็นยังไงเราสอนวิธีเขาลืมตาดูอ่ะลืมตาดูสิเราลืมตาก็เห็นสีแดงสีเขียวสีขาวว่าเป็นยังไงแล้วก็ไม่ต้องมาถามให้เสียเวลาดงนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าความสงบเป็นยังไงก็ไปฝึกสตินั่งสมาธิให้มากๆ แล้ววันหนึ่งจิตก็จะสงบขึ้นมาแล้วก็จะรู้เองแล้จะไม่ต้องไปถามใครอีกต่อไปเจ้าค่ะคุณกุ้งค่ะกราบนับัตการเจ้าค่ะถ้าพุโทโธแล้วยังวกแวกทําอย่างไรดีเจ้าค่ะพุโทโธต่อไปพุโทโธมไปนจนกว่ามันจะไม่วอกแวกเพราตัวพุโทโธนี่จะทําให้มันไม่วอกแวกแต่ตอนเริ่มต้นใหม่ใหมันจะวอกแวกเพราะพุโทโธยังมีกําลังน้อย พอเราทําพุทโธไปเรื่อยๆมันกำลังก็จะมากขึ้นมากขึ้นอาการวอกแวกวอกแวกก็จะน้อยลงน้อยลงในที่สุดมันก็จะนิ่งสงบขึ้นมาได้จาก f เฟซบ o ๊กเจ้าค่ะกราบดับนมำสการนพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าภาวนาแล้วบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วคาบริกรรมจะหายไปใช่ไหมคะเออเหมือนกินข้าวเวลากินข้าวท่านยังไม่หยิ่มมัตักข้าวเข้าปากอยู่เรื่อยๆเคี้ยวอยู่เรื่อยๆพอมันอิ่มแล้วมันก็หยุดตักเองอะ จาก y o u ูทูบซะค่ะการภาวนาด้วยการรู้สึกตัวตลอดและมีการบริการเป็นครั้งคราวเพื่อฝึกการมีสติรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วเราจะฝึกให้มีปัญญาได้ด้วยการทําสมาธิเช่นกันไหมคะมีวิธีการอย่างไรคะคือมันเป็นขั้นละขั้นกันปัญญาขั้นสติมปนคนละขั้นกันเวลาเราทําสติเรายังไม่ต้องกังวลเรื่องปัญญาให้เรามีสติคอยควบคุมใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ก่อน ถ้าพอเรามีความสงบมีสมาธิแล้วเราค่อยประจัปัญญาต่อใช่ค่ะการภาวนาคําว่ากรรมขออภัยค่ะการรำสการครับคําว่ากรรมคือจิตนามีความหมายอย่างว่าอย่างไรครับแล้วทําไมการทํากรรมทางจิตจึงสําคัญกว่าทางกายครับเพราะว่ามันเริ่มต้นที่จิตเลยต้องคิดก่อนคิดจะไปปล้นก่อนถ้าไม่คิดไปปล้นมันก็จะไปปล้นไม่ได้ พอคิดไปป้นมันก็ว่าเราวางแผนนะจะป้นอย่างไรต้องมีเพื่อนหรือเปล่าต้องทําอะไรก็นําไปสู่การพูดการกระทาต่อไปอต่ถ้าไม่คิดถึงการไปป้นธนาคารมันก็จะไม่ป้นสมัยพุทธกาลมีระกคังใช้ระกคังในวัดไหมครับเวลาไม่อยู่ทํามล่ะถามปัญหาว่ารอกอแตกแอย่างไรยังไม่มีกันดอ่าหมืนแล้วนะ เอาท่านนี้กล่าวด้วกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านตรงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธถธด